ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนุนพลนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองค์จันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาทิบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองค์จันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึง14ปีเศษมีข้อความพิสดารวิจฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามัสยามยุทธภาคที่สองตอนที่20สพระยามนเทียนบานวางแผนฆ่ายวน ุครั้งนั้นกองทัพไทยเดินพนิกายทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อถึงท่าข้ามฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นท่าเดินตรงไปทางเมืองขมินโดยเร็วนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าจะข้ามที่นี่จะต้องตัดไม้ไผ่ทาแพรให้รีพลช้างมา้าโคต่าง เดินข้ามแม่น้ําโขงไปจึงจะได้การตัดไม้ไผ่ทําแพนั้นก็จะช้าหลายเวลาอยู่กลัวยวนทัพใหญ่กองหลังจะตามมาทันทัพเราทัพเราก็จะเสียท่วงทีแก่ข่าศึกเป็นแน่จําเป็นจะต้องเดินทัพไปทางอ้อมไปข้ามที่ท่าข้ามริมฝั่งแม่น้ําโขงใกล้เขตแดนเมืองลาวเห็นจะดีเพราะที่ท่านั้นตื้นหรีพลช้างมา้า เดินไปในลำน้ำได้สบายไม่ต้องทำแพข้ามแม่น้ำเหมือนที่ท่านี้นายทัพนายกองทั้งหลายก็เห็นชอบด้วยจึงเดินทัพไปทางอ้อมด้านตะวันออกสองวันสองคืนจึงถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งเป็นภูเขาใหญ่สูงโตยืดยาวเนื่องมาแต่เมืองลาวจดถึงแดนเขมรแล้วเลยไปในแผ่นดินยวนเป็นภูเขาสูงใหญ่ดังกาแพงกั้นขวางป่าอยู่ เขาใหญ่นั้นขมินนำทางเรียกชื่อว่าพนมเซลดแปลเป็นภาษาไทยว่าเขาม้าเพ่นเขานั้นยืดยาวไกลนักเดินอ้อมเชิงเขาก็จะช้าหลายวันกลัวยวนจะตามมาทันนายทัพนายกองจึงพร้อมใจกันจะเดินกองทัพไปเป็นทางตรงๆข้ามเขาหมาเพ่นไปจะได้ถึงที่ท่าข้ามฝั่งแม่น้ำโขงแดนลาวโดยเร็ว จึงกองทัพทั้งปวงพักพลหยุดที่เชิงเขาหมาเพ่นคืนหนึ่งก็พอเวลาย่ำรุ่งกองทัพหน้าทัพใหญ่ทัพหลังและทัพทั้งปวงก็เดินพลทหารขึ้นเขาหมาเพ่นไปตั้งแต่เช้าจนค่ำถึงไหลเขาหมาเพ่นเห็นไพรพลเดินขึ้นเขามาเมื่อลา้าเหนื่อยอ่อนป่วยไข่ต่างๆโดยมากจึงสั่งให้พักไพรพลหยุดกองทัพที่บนไหลเขาหมาเพ่นนั้น เป็นที่เตือนราบกว้างขวางดีนักเมื่อพักพลอยู่บนไล่เขานั้นเป็นเวลาสองทุ่มเศษพระยาราชโยธานายทัพกองหน้ามีหนังสือบอกข้อราชการมายังพระยามนเพียนบาลแม่ทัพใหญ่ฉบับหนึ่งใจความว่ายวนเฉลยสี่รอยยี่สิกคนที่ตีได้มาแต่ไข่ครองจิกแล้วผาเดินมาในกองทัพเราด้วยนั้นแต่ก่อนเมื่อไทยเดินทัพอยู่ข้างล่าง ไม่ได้ขึ้นมาบนภูเขานี้ไทยจะใช้สอยให้ยวนหาผามปืนหลักขักไฟถังสเสบียงอาหารหรือใช้ให้เหลียนช้างเหลีย้ยงม้าโคกระบือยวนก็ก้มหน้าก้ม ต, ตาทาโดยเรียบร้อยผ่านเข้ากับเจ้าบ่าวเจ้านายได้มันมีความกลัวเกรงไทยมากครั้นเมื่อไทยไล่ต้อนพวกยวนมันเดินขึ้นมาพักหยุดอยู่บนยอดเขาแล้ว เป็นเวลาค่ำเมื่อพวกยวนมันอยู่ที่บนไหล่เขาเป็นที่สูงมันเห็นแสงไฟในกองทัพยวนพวกของมันที่ยกทัพตามมาข้างหลังไทยนั้นแต่กองทัพยวนที่ตามมานั้นยังอยู่ที่ผืนแผ่นดินราบไกลจากเชิงเขามาเพ่นหนีมากนะแต่ยวนเเลยที่อยู่บนไหล่เขานั้นมันไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยจนดึกดื่นมันพูดจา ก, กันไม่หยุดหย่อน ขั้นนายทัพนกองไทยใช้มันให้ขนหาผามของต่างๆมันก็ทำกิริยากระด้างกระเดืองไปต่างๆนานาไม่เรียบร้อยใช้ให้ขนก็สักแต่ว่าขนใช้ให้แบกก็สักแต่ว่าแบกกิริยารับใช้หาเหมือนแต่ก่อนไม่ขังใช้ให้ล่ามไปแอบคอยฟังพวกยวนมันพูดกันในที่ประชุมมานั้นก็ได้ความว่าพวกยวนเฉลยมันพูดกันว่า ไฟแดงๆหลายสิบดวงที่ผืนแผ่นดินในป่านั้นไม่ใช่ไฟอื่นเลยเป็นไฟสุมในกองทัพยวนพวกเราตามมาตีไทยเป็นแน่ถ้าแสงไฟแดงๆใกล้ชิดเข้ามายังเชิงเขามาเพ่นในเวลาค่ำหรือดึกวันนี้แล้วพวกเราก็จะได้ช่วยกันแย่งชิ้งอาวุธที่มือไทยข่าพวกไทยเสียบ้างพวกเราก็จะหนีลงจากเขาไปหาพวกยวนเราที่ตามมา จะได้ช่วยกันทําการเจลาจนรบสู้กับไทยไทยก็จะแพ้แก่ยวนพวกเราก็จะจับพวกไทยไปเป็นเฉลยแก้แขนได้บ้างการที่ยวนเฉลยมันพูดกันดังนี่แล้วซึ่งไทยจะคุมยวน426คนไว้บนเขานี้เป็นที่กันดานหนักเห็นจะเสียทุ่มทีแก่ยวนเป็นแน่กับพวกไทยก็แลเห็นไฟที่ตามผืนแผ่นดินนั้น ก็เดินใกล้เข้ามาเสมอทุกทีเห็นสมกับคำที่ยวนเฉลยมันพูดกันนั้นจะขอรับประทานข่าพวกยวนเฉลย426คนนี้เสียให้หมดจะได้สิ้นความที่ห่วงใหญ่ไม่เป็นกังวลไปต่างๆนาาในที่กลางทัพไทยทัพไทยจะได้ตั้งหน้าตั้งตาระวังแต่ข้างหน้าและข้างหลังสองฝ่ายเท่านั้น ซึ่งจะคุมยวนเฉลยข้าศึกไว้ในกองทัพไทยนี้เปรียดเสมือนนำเชื้อไฟไว้ใกล้ดินดำมีแต่จะเกิดอันตรายฝ่ายเดียวขอเจ้าคุณจงให้อนุญาตข้าพวกยวนเฉลยเสียเถิดพระยามนเทียนบานได้ทราบความตามหนังสือของพระยาราชโยธาดังนั้นแล้วจึงมีหนังสือตอบไปใจความว่าข้าพระเจ้าเห็นชอบด้วยความคิดท่านทุก ป, ประการแล้ว แต่จะฆ่ายวนนั้นเห็นว่ายวนถึง426คนถ้าจะลงมือฆ่าคนนี้ก่อนคนนั้นเห็นก็จะคิดต่อสู้บ้างคนโน้นเห็นก็จะเป็นขบฏลุกลามเกิดจราจนวุ่นวายฆ่าฟันกันขึ้นมากมายดอกกระมังเห็นว่าจะเป็นการฆ่ามังลำบากแก่เราหนักให้นําดินดำคอกมันเสียให้ตายถัง426คน จะไม่ดีกว่าข้าด้วยหอกดาบหรือเมื่อพระยาราชโยธาได้ทราบหนังสือของพระยามนเทียนบาลดังนั้นแล้วจึงพูดว่าถ้าคุณแม่ทัพใหญ่นั้นท่านคิดอะไรก็เป็นการยืดยาวไปต่างๆนาน า, นาหาควรไม่จะนำดินดำข้อค่ายยนให้ดินดำของหลวงเสียเปล่าเปล่าการที่จะจัดแจงค่าโยน426คนนี้ เป็นการทุรัพนักงานของเราเองพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งหลวงบำรุงภูเบศให้พาล่ามไปบอกแก่พวกยวนเฉลยว่าอย่างธรรมเนียมไทยถ้าจับเฉลยได้แล้วต้องหาเชือกมัดมือทุกคนเพื่อจะไม่ให้หนีบอกแก่ยวนเท่านี้แล้วก็หาเชือกมัดผูกข้อมือยวนทั้ง420บุคคลแล้วก็พาจูงเดินไปที่ท้ายเขามาเพ่น ถึงปากเหวใหญ่จึงจูงยวนเดินเลียบตามปากเหวไปพอได้ทีก็ผลักยวนต้นเชือกลงไปในเหวแล้วยวนต้นเชือกเป็นของหนักจึงชักดึงยวนกลางเชือกปลายเชือกผูกร้อยเป็นพวกแถวเดียวกันตกลงไปในเหวหมดทั้ง426คนตายสิ้นตามคําสั่งพระยาราชโยธาขันรุ่งเช้าขึ้นเวลาย่ํารุ่งกองทัพไทยทั้งปวง ที่พักอยู่บนไหล่เขาหมาเพ่นนั้นก็ยกทัพเดินพล น, นิกายข้ามเขาหมาเพ่นจะลงไปทางตะวันออกพอเดินทัพถึงครึ่งเขาก็พอเวลาเที่ยงแดดร้อนเป็นสามารถเหลือกำลังไพรพลเพราะรีพลไม่ได้รับประทานน้ำคืนหนึ่งกับครึ่งวันแล้วจึงละเหี่ยแดดร้อนเดินไม่ไหวสิ้นกาลังก็หลมนอนอ่อนระทวยไปหลายพันคนฝ่ายพระยามเทีนบานแม่ทัพใหญ่ได้ทราบว่า ไพร่พรอดน้ำลำบากอ่อนเปรีย้ยไรเหี่ยเดินไม่ไหวดังนี้แล้วจึงใช้ให้นายทัพนายกองไปประกาศแก่ไพร่ทั้งหลายที่กระหายน้ำนั้นว่าเดิมบิดาของเราเล่าให้ฟังว่า mm. เมื่อครั้งแผ่นดินต้นพระพุทธเจ้าหลวงคือแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นบิดาเราได้เป็นนายทัพโดยเสด็จพระราชดำเนิน ในงานพระราชิสมครามตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพภริรักษ์แม่ทัพหลวงมาทำศึกกับยวนแต่ก่อนนั้นได้เดินกองทัพมาทางนี้ถึงที่เขามาเพ่นตัมบนนี้ก็ได้ข้ามเขานี้ขึ้นไปลงยังเชิงเขาด้านตะวันออกเชิงเขาด้านตะวันออกนั้นมีป่าต้นมะเฟืองเต็มทั้งเชิงเขาในฤดูเดือนนี้ กำลังมะเฟืองมีผลแก่หามและอ่อนดกระยาย้อยห้อยเป็นพวงผลสุขหามงามดีผลที่จะรำพันถ้าท่านทั้งหลายมีความอุตสาหะแข็งใจดำรงกายเดินไปถึงเชิงเขาข้างนี้ที่เรามาหยุดพักเสียกลางทางนั้นถึงเชิงเขาแล้วก็จะได้ประสบพบเห็นป่ามะเฟืองที่มีผลต่างๆอย่างเราพันธนาว่ามาแล้วนั้นแล้วท่านทั้งหลาย ก็จะได้บริโภคผลมะเฟืองที่สุขหามตามปรารถนาจะได้ขบกัดเขียวเล่นๆเป็นการสำราญบันเทิงรื่นเริงยิ่งนักเมื่อรีผลตองทัพที่นั่งนอนอ่อนระเหยแดดกระหายน้ำนั้นครันได้ยินเสียงนายทัพมาร้องประกาศอวดอ้างถึงชื่อผลมะเฟืองซึ่งเป็นของเปรี้ยวดังนั้นแล้วก็ไม่อาจกั้นน้ำลายไว้ได้มีเคระไหลลังออกมาจากชิวหาประสาส โดยอำนาจที่ออกชื่อพ่มมะเฟืองแล้วก็มีน้ำไหลออกมากรัวขอพอชุ่มชื่นมีแรงเป็นกำลังปะทะัประทางกายเดินลงจากไกลเขามาได้โดยปกติจนตลอดถึงเชิงเขาด้านล่างด้านตะวันออกได้ในเวลาบ่ายห้าโมงก็หาเห็นต้นมะเฟืองมีไม้ได้พบแต่น้ำพุและน้ำในลำธารเป็นที่อาศัยแก่ไพร่ผลได้รับประทานเป็นสุขรอดจากความตายได้ทั้งสิ้นด้วยกัน ครั้งนั้นมีได้หยุดพักพ่ให้นอนที่เชิงเขาไม่เดินทัพเป็นลําดับต่อมาในเวลากลางคืนพอสว่างถึงที่ป่าใหญ่แห่งหนึ่งเขมินําทางเรียกชื่อว่าไพรทมแปลเป็นภาษาไทยว่าป่าใหญ่กําลังผลไม้ในป่าใหญ่นั้นมีผลออกดกอุดมไปต่างๆหลายอย่างจึงพักพ่หยุดกองทัพที่ป่าใหญ่ให้ไพร่พนเก็บผลไม้ รับประทานพักนอนครู่หนึ่งพอเวลาบ่ายลมตกก็ให้เดินกองทัพต่อไปออกจากป่าใหญ่เดินมาตามป่าละเมาะเวลาสามยามพักพ่ให้นอนขันรุ่งขึ้นในเวลาย่ำของรุ่งแล้วเดินทัพออกจากป่าละเมาะต่อไปถึงริมขอบทุ่งชายป่าเป็นทางใกล้จะถึงท่าข้ามฝั่งแม่น้ำขงที่นั่นขมิญ น, นาทางเรียกชื่อว่า ไพรกัมพงฉลองแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าทุ่งชายป่าท่าข้ามกองทหารพระยาราชโยธาเป็นทัพหน้าเห็นช้างพลายพังติดปลอกบ้างไม่ได้ติดปลอกบ้างปล่อยเที่ยวเดินกินหญ้าอยู่ในป่าบ้างตามท้องทุ่งบ้างประมาณช้างห้าสิบเศษไม่เห็นมีผู้คนพิทักษรักษาก็เข้าใจว่า คงจะเป็นช้างของเขมรหรือยวนฆ่าศึกเป็นแน่แต่เจ้าของมันจะแอบซุ่มเสียที่ใดเป็นมั่นคงหรือมันจะทำเป็นกลอุบายดังเช่นปล่อยมมาอุปการถึงแม้จะเป็นนั้นก็สู้กันเป็นไรมีกลัวอะไรแก่มันพูดเท่านั้นแล้วจึงสั่งพระยาศาสตราฤทธิรงคุมไพรพลห้าร้อย 500, ยกไปตามจับช้างพลายพังมาให้ได้ แต่ให้แต่งตองร้อยคอยเหตุข่าศึกจะตามมาตีเราและให้ซุ่มซ่อนอยู่ในที่สานธารณะสุดแท้แต่อย่าให้เสียทีแก่ข่าศึกได้แล้วเป็นการดีฝ่ายพระยาศาสตราริศทิรงคุ้มไพรพลออกล้อมจับช้างที่ปล่อยอยู่ตามชายป่าและท้องทุ่งนั้นได้46ช้างที่เป็นช้างไม่ติดปลอกและเป็นช้างเปลี่ยวก็หนีเข้าไปในป่าสูญเสียบ้างสัก8ช้าง9ช้างหาได้ไม่ เมื่อจับช้าง46เชือกมาได้แล้วไพร่พลในกองทัพไทยบางคนก็จําช้างเหล่านั้นได้บ้างว่าพรายนั้นพังนี้เป็นช้างในกองทัพพระยานครสวรรค์เมื่อยกมาจากเมืองขมิญเดินมาจะข้ามแม่น้ําโพงนั้นพร้อมกันทั้งทัพวังหน้าและทัพพระยานครสวรรค์เขตนั้นพวกไพร่พลในกองทัพวังหน้าจึงจําช้างในกองทัพพระยานครสวรรค์ได้พระยาราชโยธาจึงว่า ถ้าเช่นนั้นเห็นทัพพระยานครสวรรค์จะเสียแก่ยวนเสียแล้วแน่ครั้งนั้นพอเวลาบ่ายประมาณสามโมงเศษยวนผู้เลี้ยงช้างมันก็ถือขอช้างเดินตามกันมาเป็นแถวจากป่าออกมาที่ทุ่งเพื่อมันจะมาตามช้างของมันฝ่ายไทยเห็นดังนั้นจึงยกทัพมาหกสิบม้าออกอ้อมไล่ยวนแล้วใส่ช้างเข้าโอบหลังไวทั้งมา้าช้าง เข้าล้อมไล่จับได้ยวนครวนช้าง26คนที่หนีศูนย์ไปได้ประมาณ30คนเศษเพราะมันเห็นแต่ไกลมันก็วิ่งไปตามซอกห้วยลืบเขาตามตัวหาไม่ได้พระยาราชโยธาสั่งให้หลวงประจันปัญจามิตรพาพวกยวน26คนไปมัดมือมัดเท้าโยงกับหลักแยกห่างกันเคี่ยนถามได้ความว่ากองทัพพระยานครสวรรค์แม่ทัพไทย ล่าถอยมาจากเมืองไส่นอนเดินทัพมาจะข้ามแม่น้ําโขงที่ท่าข้ามตรงนี้ได้รบดับหยวนยวนฆ่าไทยตายประมาณหนึ่งพันเศษแต่ไพร่พลนายทัพนายกองไทยก็ตายหมดประมาณห้าสิบคนหยวนฆ่าไทยทั้งนายและไพร่ไม่เหลือเลยแล้วบอกไปยังแม่ทัพใหญ่ที่ตั้งอยู่แม่น้ําน้อยแม่ทัพใหญ่ที่แม่น้ําน้อยโกรธองค์ตานแม่ทัพแม่น้ําโขงว่า ถ้ากองทัพพระยานครสวรรค์เสียหมดทั้งนายและไพะ 1, ่หนึ่งพันเศษไม่จักเป็นส่งไปจะได้ไต่ถามข้อราชการบ้างจึงใช้ให้องค์เกี้ยวไดยขุนนางกรุงเวมาเป็นแม่ทัพที่แม่น้ำโขงแทนองค์ตาลแม่ทัพเก่าแม่ทัพเก่านั้นเรียกให้กลับขึ้นไปเสียยังแม่น้ำน้อยก็ได้ทำโทษเสียแล้วจะฆ่าเสียหรือจะส่งไปไว้ในคุกยังเมืองเวหาทาบไหม บัดรนี้องค์เกียวดดยแม่ทัพใหม่ขุมไพรพลยวนแปดพันยกไปตั้งรังรออยู่ที่ฟ้าฝั่งแม่น้ำโขงข้างเหนือขอให้สกัดกองทัพไทยที่จะล่าทัพเดินมาข้ามตรงนี้ยวนจะได้ตีให้เหมือนกับทัพพระยานครสวรรค์ น, นั้นอีกแต่ว่าช้างนี้เป็นช้างของไทยที่ตายหมดยวนตีได้ถึงแปดสิบสี่ช้างแบ่งไปเลี้ยงฝั่งแม่น้ำโขงฝาตะวันออกโ น, นบ้าง แบ่งให้พวกข้าพระเจ้ามาเลี้ยงที่นี่บ้างห้าสิบสี่ช้างไถ่จักมาได้สี่สิบหกช้างที่หนีเข้าป่าไปเสียแปดช้างพวกที่เลี้ยงช้างหนีไปได้นั้นสามสิแปดคนทั้งในกองช้างสองคนก็หนีไปได้แต่พวกสามสิบแปดคนที่หนีไปได้นั้นเห็นจะไม่กลับบ้านเมืองเพราะอาชญายวนดุร้ายยิ่งนักตายเสียดีกว่าจะให้นายทําโทษ นายทำโทษแล้วลำบากทรมานต่างๆกว่าจะตายแสนเวทนายิ่งนะักถึงพวกที่เลี้ยงช้างอย่างข้าพเจ้านี้หรือพวกที่หนีไปได้สามสิบแปดคนนั้นบุตรภรรยาบิดามารดาพวกข้าพเจ้าเหล่านี้ต้องที่ตายหมดไม่เหลือขอท่านจงเมตตายอย่าฆ่าพวกข้าพเจ้านี้เลยข้าพเจ้าจะได้นำท่านไปจัดช้างอีกแปดช้างที่หนีเข้าป่าไปให้ได้ทั้งหมด สิ้นคําให้การยวนยี่สิบหกคนเท่านี้พระยาราชโยธาได้ทราบคําให้การยวนดังนั้นแล้วจึงว่าเราจะไปตามจับช้างแตกช้างนั้นเหมือนจะให้ยวนมาฆ่าพวกเราเสียหมดถังกองทัพเลขกลนยวนมากนะักขั้นแต่คนไพร่เลี้ยงช้างก็ยังมีกนอุบายล่อลวงให้เราไปตามช้างในป่ามันจะให้เราอยู่ที่นี่ช้าๆให้พวกมันมาฆ่าพวกเราเป็นแน่ พูดเท่านั้นแล้วสั่งให้ขุนปราภัยรีพาพวกยวนยี่สิบหคนไปฆ่าเสียเดี๋ยวนี้แล้วให้ตัดศีรษะเสียบไว้ตามชายป่านี้ให้เป็นอำนาจแก่แม่ทัพไทยที่ยกไปจากที่นี่ฆ่ายวนยี่สิบคนแล้วจึงสั่งให้เตรียมทัพให้พร้อมทุกกองจะยกลงไปรบกับยวนแล้วจึงจะยกทัพออกจากชายป่ายกลงไปยังท้องทุ่งนี้สั่งให้ตั้งค่ายไม้ไผ่พอจะได้รับทัพยวนบ้าง ได้ตั้งค่ายไม้ไผ่ที่ท้องทุ่งนั้นขมินนำทางเรียกชื่อว่าวาระแสแปลเป็นภาษาไทยว่าทุ่งชมพูเพราะดินที่ท้องทุ่งนั้นแดงทั้งสิ้นถึงท้องทุ่งชมพูแล้วกองทัพไทยกำลังไปตัดไม้ไผ่จะมาทำค่ายบ้างกำลังทำงานกะที่ทางจะตั้งค่ายบ้างพอหลวงเดชอัสดรนายทัพมาขุมฐานมาห้าสิบมา ไปซื้อพับยวนกลับมาแจ้งความว่าได้เห็นยวนตั้งชุมนุมใหญ่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงท่าข้ามมีรีพนช้างหมามากเมื่อกำลังหลวงอัศดอนพูดอยู่นั้นยังไม่ทันจะสิ้นข้อความลงพอหลวงชัยเสนีกับหลวงพักดีโยธาไปลาดตระเวนถึงชายป่ากลับมาแจ้งความว่าเห็นยวนยกทับใหญ่มาเต็มทั้งท้องทุ่งแล้ว รีพลช้างมาและเดินเท้ามากมายนะักเราจะรับมันที่นี่เห็นจะไม่ได้พระยาราชโยธาว่าทำไมจึงจะไม่ได้เราพบมันที่ไหนก็จะรบ ก, กับมันที่นั่นพวกไทยเราเว้ยอย่ากลัวยวนนักเลยเลือดเหนือยวนไม่ใช่เหล็กมันกับเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพอสู้รบกันได้ดอกอย่ากลัวมันเลย ให้ตั้งใจคิดถึงคุณพระรัตนไกรและคุณพระมหากษัตริย์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วจงตั้งหน้าสู้ให้เต็มฝีมือสักพักหนึ่งหรือสองพักยวนก็จะแตกหนีไปหมดจะสู้พวกไทยที่ไหนได้เล่าแต่ฝีมือพม่า ก, ก็้าหารแข็งแรงกว่ายวนพม่ายังสู้พวกไทยไม่ได้ขันทับปากแพ้กและลาดญ้าพม่ายังแตกไปหมดไม่ใช่ฝีมือพวกเราหรือ ทำไมกับฝีมือยวนอ่อนๆเราตีเสียพักเดียวก็จะแตกไปสิน้นพระยาราชโยธาพูดกับนายทัพนายกองเท่านั้นแล้วจึงสั่งพระขชะพักดีให้เป็นแม่ทัพช้างให้คุมไพรพลห้ารอยยกกองช้างออกจากป่าไปรบกับยวนที่ทองทุ่งก่อนแล้วสั่งกองทัพตำรวจสี่กรมกับไพรพลถึงแปดร้อยให้กองตำรวจถือปืนคาบศิลายกไปนอนแอบอยู่ตามริมคนา คอยิงกองทัพยวนให้แตกไปให้ได้แล้วพระยาราชโยธาก็ขึ้นมา้นานําทหารม้าหนึ่งร้ม้าเศษไปยืนมาไล่ต้อนทัพตํารวจให้เข้ารบกับยวนยวนก็ยกทัพใหญ่มาถึงท้องทุ่งได้ประทะ ก, กันกับกองช้างพระยาวิชิตพักดีพระยาวิชิตพักดีให้พระขชพักดีขี่ช้างไล่ต้อนพลทหารช้างเข้าสู้กับยวนครึ่งวันฝ่ายยวนแบ่งกองทัพวกอ้อมเดินมาตามชายทุ่ง จะเข้าตีทัพช้างข้างหลังกองทัพตำรวจกองทัพตำรวจแอบคันนาเห็นทัพยวนกองเดินเท้ายกมาใกล้คันนากองตำรวจก็ลุกขึ้นยิงปืนระมไปดังหาฝนถูกไพรพลยวนตายมากที่เหลือตายผลกระสุนปืนไม่ได้ก็แตกถอยล่ากลับไปยวนและไทยตายลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายยวนตายมากพอเวลาเย็นทัพช้างฝ่ายไทยก็ยกไล่ทัพช้างฝ่ายยวน ทัพช้างฝ่ายยวนจึงเสียทีก็ล่าหนีถอยทัพข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งภาคสรวันตกได้มากฝ่ายกองทัพพระยาวิชิตพักดีจึงไล่ต้อนผลทหารทางให้ไล่แทงกองทัพยวนล้มตายตามทางทองทุ่งตลอดไปถึงฝั่งแม่น้ำโขงท่าข้ามยวนก็ยกทัพข้ามแม่น้ำโขงไปหมดทัพช้างของพระยาวิชิตพักดีก็แบ่งให้พระคชะพักดีข้ามแม่น้าโขงไล่ติดตามยวนไปจนฝั่งฝ้าข้างโนน ขณะนั้นพ่อม้าเร็ว น, นําหนังสือบอกของพระยานรงค์วิชัยนายทัพหลังส่งมาแจ้งความว่ายวนที่ค่ายแม่น้ําน้อยยกกองทัพใหญ่ติดตามมาข้างหลังกองทัพไทยพระยามนเทียนบานแม่ทัพใหญ่ได้ทราบความตามหนังสือบอกดังนั้นแล้วจึงสั่งขุนเจนใจหานให้ขึ้นม้าเร็วถือต้นหนังสือบอกข่าวทัพยวนมาข้างหลังนั้นไปให้แก่พระยาราชโยธา พระยาราชโยธาทราบแล้วจึงให้ขุนเจนใจหารกับหลวงปราภัยรินขึ้นม้าเร็วรีบไปบอกพระยาวิชิตพักดีปองช้างที่ตามยวนไปนั้นให้ถอยทัพกลับมาโดยเร็วเพราะยวนยกทัพใหญ่มาข้างหลังเรามากพระยาวิชิตพักดีก็กลับมาที่ประชุมทัพพร้อมกันที่ทุ่งชมพูแล้วขณะนั้นพระยามลเทียนบาลแม่ทัพใหญ่จึงมีคาสั่งพระยาราชโยธานายทัพกองหน้าและพระยา พระหลวงนายทัพกองทั้งปวงให้เดินกองทัพเรียบเรียงฝั่งแม่น้ำโขงไปข้ามที่ท่าข้ามใกล้เขตแดนเมืองนครจันปาสักลา่าเห็นจะดีกว่าที่จะข้ามทางเมืองขมิญทางเมืองขมิญนั้นเป็นทางใกล้ตรงก็จริงแต่กองทัพเราจะต้องเป็นศึกกระนาบอีกประการหนึ่งเล่าฝ่ายกองเราก็ไม่ทราบว่ากองทัพเจ้าพระยานาครราชสีมาจะแตกเสียแกยวนแล้ว หรือว่าถอยทับกลับไปได้ประการใดก็ยังไม่ทราบการตลอดแน่ได้กลัวทัพเจ้าพระยานครราชสีมาจะเป็นเหตุร้ายเช่นทัพพระยานครสวรรค์ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วใสทัพเราไปทางเมืองขมรก็เห็นจะพลอยเสียลงด้วยกันเป็นสามทัพแล้วพระยามนเทียนบานสั่งให้กองทัพตำรวจทั้งแปดกองเป็นกองทัพแซงให้กองพระพรมธิบานเป็นทัพแซงขวา ให้กองพระอินทบาลเป็นทัพแสงทรายแล้วสั่งกองทัพตำรวจทุกกองนั้นให้อยู่ในกองพระพงทบาลและพระอินทิบาลทั้งสิ้นแล้วสั่งให้พระยาสุรินทราชเสนีกับพระยาสุเรนราชเสนาคุมพลทหารห้าร้อยยกไปทางเมืองลาวให้รีบเดินทัพไปสืบข่าวทัพเจ้าพระยาบรินเดชาแม่ทัพหลวงนั้นจะได้ตั้งอยู่ที่ใดแน่จะเสียทัพแกยวนหรือจะกลับกรุงเทพแล้ว ถ้าสืบได้ความให้เดินทัพไปจนถึงเมืองสรินเมืองสังขาแล้วจะได้ถ่ายสเสบียงอาหารบรรทุกโคต่างลำเลียงมาส่งให้กองทัพพระยาราชโยธาให้ได้ในเดือนนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่สิบพระยามนเทียนบานวางแผนฆ่ายวนสี่ร้อยยี่สิบหกศพกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะ โปรดติดตามตอนต่อไป